กรเริ่มสร้างราว200ปีมานี้นะคะการคมนาคมก็อาศัยทางน้ําเป็นหลักโดยต้นกําเนิดเกิดจากแม่น้าเจ้าพระยาต่อมาความเจริญทางพลเมืองทางราชการทางการค้าขายการคมนาคมทางบกก็เริ่มมีความสำคัญแทนที่ประกอบกับสิ่งที่ก่อสร้างอันเป็นภูมิสถาปัตย์ของชาวตะวันตกเข้ามาในสมัยรัชกาลที่4ที่5แล้วก็ที่6นี้นะคะ งานศิลปะของยุโรปและก็ศิลปะที่สวยงามตามแบบตะวันตกได้ไหลทะลักเข้ามาในยุคนี้แล้วก็ได้เป็นแบบอย่างที่วิวัฒนาการให้หลงเหลือได้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดีค่ะการที่ได้พบกับความเจริญแห่งยุคสมัยและเป็นตัวอย่างแห่งสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ของคนไทยที่ต้องเอาความเป็นไทยมาผสมผสานเป็นหลักใหญ่ของการสืบสานความเป็นไทยให้อยู่ร่วมกันได้กับความเป็นตะวันตกเช่นอย่างน้อยแม้แต่จะเช่าบ้านเช่าหอพักที่เป็นแบบตะวันตกแต่อย่างน้อยก็ต้องหาสารพระภูิไว้เป็นหลักใหญ่ของจิตใจนะคะ เมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่5แล้วก็รัชกาลที่6ค่ะเรามีอัจฉริยะบุคคลผู้ครองความเป็นเอกแห่งศิละปะและการออกแบบคนสําคัญของชาติไทยเกิดขึ้นท่านผู้นั้นก็คือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นะคะสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ค่ะซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่4ชื่อเสียงของพระองค์เป็นที่รู้จักกันกว้างขวางดีอยู่แล้วใน ยุคสมัยปัจจุบันนี้แม้ฝรั่งต่างชาติซึ่งสนใจในการศึกษาได้ความรู้แล้วก็ได้ทําการรู้จักพระองค์ท่านดีไม่แพ้เราเลยล่ะค่ะคงจะมีผู้คิดพิสวงสงสัยนะครว่าเหตุไฉนสมเด็จบรมครูทางศิลปะจรัดแสงอยู่แต่ผู้เดียวในขณะนั้นทําไมไม่มีผู้อื่นเข้ามาแข่งพระบารมีของพระองค์ท่านบ้างเลยข้อนี้ขอฉเฉลยว่าผู้ที่มีฝีม้าลายมือก็คงจะมีอยู่บ้าง แต่เมื่อเราได้ศึกษาจากผลงานของสมเด็จทุกชิ้นแล้วก็คงต้องยอมรับนะคะว่าอัจฉริยะบุคคลที่ได้ประทานพรพิเศษมาจากธรรมชาติโดยเฉพาะและสมเด็จกรมพระยานริศลานุวัติวงศ์ท่านก็เป็นผู้หนึ่งซึ่งเราคนไทยควรภูมิใจในฝีมือและสติปัญญาอันมหัศจรรย์ของท่านค่ะมีสุภาษิตจีนอยู่บทหนึ่งกล่าวไว้นะคะว่าทําให้เดินทางนับหมื่นลี้ไม่อ่านหนังสือหมื่นเล่มฉะนั้นเลยจะเขียนภาพได้ดีเล่า ข้อนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นที่เข้าใจอย่างซึมซาบดีในวงการศิลปะโดยศิลปินเอกของโลกล้วนแล้วแต่ศึกษาหาความรู้ในวิชาแขนงต่างๆมาแล้วอย่างโชคชนไม่ว่าจะเป็นลีโอนาร์โดดาวินชีนะคะนักปรดชญกทางวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์และก็ศาสตร์อื่นๆอีกหลายสาขาท่านจึงเขียนภาพโมนาลิซาได้อย่างลึกซึ้งยิ่งนัก หรือว่าจะเป็นปีเตอร์ปอนดูเบนส์นะคะจิตกรเอกของโลกชาวเฟรมิชยักษ์ใหญ่ของยุโรปในคริสตศตวรรษที่16ค่ะ เขาก็อ่านหนังสืออย่างเป็นบ้าเป็นหลังพูดได้หลายภาษาเมื่อเขาไปเยี่ยมเยียนประเทศใดก็ได้รับเป็นราชทูตจากชาวเฟรมิสไปพร้อมกันค่ะซามูเอลเอฟบีมอสนะคะจิตกรสำคัญชาวอเมริกันก็สนใจหลายสาขาวิชาเขาก็เป็นคนแรกที่ประดิษฐ์วิทยุโทรเลขขึ้นยังมีศิลปินเอกของโลกอีกมากมายหลายท่านซึ่งสามารถรอบรู้วิชาการต่างๆเป็นผลให้งานของเขามีความลึกซึ้งเป็นพิเศษนะคะย้อน มากล่าวถึงสมเด็จบรมครูที่พระองค์ท่านถือสนโดษนะคะสุภาพเรียบร้อยแล้วก็เป็นที่พึ่งของบุคคลต่างๆจากการบอกเล่าของคุณเฉลิมศักดิ์รามโกมุดนะคะถึงชีวิตที่ได้ใกล้ชิดกับพระองค์ว่าท่านเองก็เข้ามาเป็นเด็กรับใช้ในบั้นปลายชีวิตของพระองค์ท่านด้วยสําหรับก๊กของคุณลุงเฉลิมศักดิ์นะคะเป็นกรมวังนอกหรือว่าช่างหลวงค่ะในครั้งนั้นคุณลุงเฉลิมศักดิ์เก็บเศษงานศิลป์ของพระองค์ท่านที่ยังเหลือใช้กระทะ ทั้งบัดนี้และคุณลุงเฉลิมศักดิ์ก็ได้สนองพระเดจพระคุณโดยหน้าที่สี่ตำรวจหลวงเชิญพระโกรธศพพระองค์ ตั้งบนจิตตกาทานที่พระเมนสนามหลวงเป็นการถวายความกตัญญูต่อพระองค์ท่านองค์สมเด็จพระบรมครูเป็นที่รู้ทางปราชทางศิลปาศาสตร์พระองค์ท่านไม่เคยปิดบังความรู้นะคะบางครั้งทรงจำจี้จำชัยในแนวทางประพฤติปฏิบัติให้ผู้รับความรู้อย่างได้ผลที่แท้จริงแล้วก็ผลอันปรากฏชัดสู่สายตาโลกแล้วก็ในเรื่องของสถาปัตยกรรมโครงสร้างหลังคาของทุกประเทศทั่วโลกค่ะประเทศไทยเราก็ติดอันดับกับเขาด้วยนะ ะค่คุณผู้ฟังก็คือโครงสร้างหลังคาโบสถ์วัดเบญจมาศบพิษโดยเป็นฝีพหัตของพระองค์ท่านนะคะ แล้วก็ทรงเป็นศิลปินเอกนักออกแบบที่ยิ่งใหญ่ของเอเชียอาคเนยในพุทธศตรวตรรษที่ 24-25 ค่ะก็เพราะว่ามีสิ่งแวดล้อมสนับสนุนนั่นก็คืองานออกแบบของยุโรปยุคสมัยก่อนที่งดงามที่สุดได้หลทะลักเข้าสู่เมืองไทยเหมือนสายธารอันชื่นฉ่ำเ อ, อิบออาบไปทั่วศิลปินดัช์นะคะเคยครองความเป็นเอกของโลกมาแล้วในขณะที่ฮอลนดากาลังเป็นเจ้าโลกส่งเรือทะเลไปค้าขายทั่วร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้าแล้ว ก็มาได้เป็นใหญ่ที่ปัตตเวียทั้งยังส่งกองทัพเรืออันเกรียงไกรเข้ามาปิดอ่าวไทยจนพระเจ้าปราสาททองและก็สมเด็จพระนารายณ์แห่งกรุงศรีอยุธยาต้องคบค้ากับฝรั่งเศสเพื่อเตรียมตัวสู้กับดัชค่ะสมัยนั้นดัชมีความเจริญทางศิลปะทุกๆด้านสเปนก็เช่นกันเคยเป็นเจ้าโลกมาสมัยหนึ่งก่อนหน้าที่อังกฤษยุคสเปนมั่งคัง่งและร่ำรวยมากนะคะก็ขนเอาทองคําจากทวีปอเมริกาข้ามไปทวีปของตนเองจํานวนมหาศาลศิลปะของสเปนยุคนาน ยังคงครอบครองความยิ่งใหญ่อยู่ในขณะ น, นี้ทุกอย่างจะวิวัฒนาการรุ่งโรดได้อย่างสำคัญต้องมีภูมิหลังที่ดีถ้าหากว่าอิตาลีในยุคคริสต์ศตวรรษที่15ไม่มั่งคั่งเจริญด้วยศิลปะเช่นไมเคิลแองเจโลหรือว่าจะเป็นราฟาเองหรือว่าจะเป็นที่เชียนขึ้นมาได้ค่ะ ถ้าหากว่าฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่18ไม่เป็นศูนย์กลางของศิลปะโลกก็คงไม่รู้จักเดล a c ครัวแองเกรสโครโมเน่และก็เซซานเป็นแน่นะคะศิลปินเอกเหล่านี้เป็นดอกไม้งามอันอยู่ในกระถางงามด้วยมีสิ่งแวดล้อมอันดีงามสนับสนุนอยู่ค่ะ ส่วนในเรื่องที่เราจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะเป็นเรื่องของสะพานร้องไห้เป็นประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งของการก่อสร้างชุดสะพานต่างๆได้เริ่มสร้างเป็นล่ําเป็นสันในเมื่อวาระเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเรียกกันว่าสะพานชุดเฉลิมนะคะโดยใช้ชื่อเฉลิมนำหน้าสะพานเช่นสะพานเฉลิมโลกอยู่ที่ประตูน้ําปทุมวันสะพานเฉลิมล่าอยู่ที่ราชเทวีและก็ยังมี เรื่องราวแล้วก็ความสำคัญอีกมากมายซึ่งยังหลงเหลืออยู่บ้างนะคะแล้วก็ยังมีให้เห็นอยู่เด่นชัดก็คือสะพานมหัธไทยอุทิศถัดไปจากสะพานผ่านฟ้าลีลาดทางทิศใต้ประมาณ100เมตรค่ะมีสะพานเรียกกันโดยสามัญค่ะว่าสะพานร้องไห้ แต่ว่าชื่อที่แท้จริงนะคะก็คือชื่อสะพานมหาไทยอุทิศค่ะก็เนื่องมาจากรูปปฏิมากรรมที่ประดับบนสะพานเป็นรูปผู้ใหญ่อุ้มลูกถือดอกซ่อนกลิ่นแล้วก็รูปผู้ใหญ่ยืนอยู่แล้วก็มีเด็กยืนยกมือไหว้ทำความเคารพนะคะซึ่งก็ได้สร้างเป็นอนุสรในการนำพระบรมศพจากพระบรมหาราชวังไปสุสานหลวงวัดเทพสรินราวาสแล้วก็มี ช่อชัยพฤกษ์นะคะเป็นรูปพวงรีล้อมรูปราชสีอันเป็นความหมายของผู้สร้างนั่นก็คือกระสวงมหาไทยแล้วก็มีชื่อปรากฏว่าสะพานมหาไทยอุทิศค่ะ สะพานมหาไทยอุทิศนี้เกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเพื่อให้การคมนาคมทางบกซึ่งจเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วในสมัยของพระองค์ได้มีความสะดวกสบายมากขึ้นจึงมีพระราชดำริที่จะสร้างสะพานเชื่อมระหว่างสองฝั่งคลองมหานาค โดยเป็นการออกแบบร่วมกันค่ะของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานนริศรานุรัติวงศ์กับประติมากรชาวอิตาเลียนที่ชื่อว่าวิตตริโอโนวีนะคะที่เข้ามารับราชการอยู่ในสยามตั้งแต่ปีพุทธศักราช2455และก็ยังเป็นผู้ปั้นลวดลายประดับตกแต่งพระที่นั่งอนันตสมาคม แล้วก็ยังเคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทิพยาภรณ์ช้างเผือกชั้นที่5หรือว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมาภรณช้างเผือกค่ะแต่ไม่ทันได้ก่อสร้างเสร็จนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ก็ทรงสเสด็จสวรรคตเสียก่อนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหานาคนี้ก็เลยยังคงค้างคาอยู่นานต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 ท่านก็ได้ทรงรื้อฟื้นการก่อสร้างสะพานแห่งนี้ขึ้นมาใหม่โดยมีสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยร่วมกับข้าราชการของกระทรวงทั่วประเทศร่วมกันบริจาคค่าก่อสร้างค่ะแล้วก็เพื่อเป็นที่ระลึกถึงการสวรรคตของพระปิยมหาราชพระสนิกรจึงร่วมใจกันบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในการสร้างสะพานแห่งนี้ ทางทีมงานก่อสร้างนะคะก็ได้มีการปรับเปลี่ยนภาพประติมา ก, กรรมนูนสูงที่แต่เดิมเนี่ยเป็นช่อเยพฤกษแต่เพียงอย่างเดียวให้เป็นรูปพระสงฆนิกรยืนร่ำไห้แล้วก็ไว้อาลัยในการจากไปของพระปิยมหาราช โดยได้ทําการค้นหาต้นแบบพระศกนิกรที่จะนํามาเป็นแบบนะคะในปฏิมากรรมนูนสูงในครั้งนั้นนะคะสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพญาณริสรานุรติวงศ์กับปฏิมาก ร, รชาวอิตาเลียนได้คัดเลือกตัวชาวบ้านร้านถิ่นเพื่อมาถ่ายรูปเป็นแบบแต่ก็ได้รับการปฏิเสธซะส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่าชาวบ้านในสมัยนั้นก็ยังคงหวาดกลัวกับการถ่ายรูปเพราะเชื่อนะคะว่ากล้องจะดูดเอาวิญญาณไป แต่ก็ได้มีหญิงชาวบ้านปริศนาค่ะซึ่งไม่ทราบหัวนอนปลายเท้ากับลูกอีกคนนึงมาเป็นแบบในการถ่ายรูปให้ซึ่งสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรักความอาดูนความสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักยิ่งอย่างสมเด็จพระปิยมหาราชได้เป็นอย่างดีเรียกได้นะคะว่าภาพที่ใครได้เห็นต้นฉบับจริงถึงกับต้องเสียน้ําตาแล้วก็ต้องน้ําตาซึมร้องไห้ไปตามภาพอย่างแน่นอนค่ะส่วนภาพผู้ชายแล้วก็เด็กน้อยที่ยืนไหว้นั้นนะคะคุณลุงเฉลิม ัรามโกมุตได้เล่าว่าเป็นบ่าวคนหนึ่งของกรมหลวงนริศรานุรติวงศ์ที่ชื่อว่านายพุ่มค่ะที่เพิ่งจะหลุดจากการเป็นทาสสมเด็จท่านก็ได้ชุบเลี้ยงไว้แล้วก็นำมาถ่ายภาพเป็นแบบพร้อมกับลูกชายนะคะ แล้วก็ต่อมาปรติมากรชาวอิตาเลียนก็ได้ปั้นภาพปฏติมากรรมนูนสูงด้วยดินเหนียวก่อนที่จะถอดพิมพ์ด้วยปูนซีเมนต์แล้วก็นำขึ้นไปติดกับสะพานที่ออกแบบไว้ซึ่งปฏิมากรรมนูนสูงรูปผู้หญิงอุ้มเด็กก็ทำให้ผู้ที่ชื่นชมถึงกับน้ำตาหลัง่งเหมือนกับถูกมนต์สะกดด้วยความเศร้าเสียใจในการเสด็จสวรรคตค่ะเหมือนต้องถูกมนต์สะกดของภาพผู้หญิงปริศนานางนี้ไปด้วยนะคะ เรียกได้ว่านอกจากความสวยงามแล้วก็เรื่องราวของความอาลัยในพระปิยมหาราชแล้วหญิงปริศนาซึ่งไม่ทราบที่มาก็เป็นสิ่งประหลาดเป็นอย่างยิ่งนะคะที่สะกดคนดูให้ร้องไห้ตามเมื่อได้เพ่งพินิษนับได้ว่าเป็นเรื่องพิสดารอีกเรื่องนึงสําหรับสะพานแห่งอนุสร์ความรักที่พระศกนิกรชาวไทยมีต่อองค์พระปิยมหาราชอย่างแท้จริงค่ะ จากเดิมที่ชื่อสะพานมหัสไทยอุทิศก็ถูกเรียกใหม่ตามพระสงฆนิกรก็คือสะพานร้องไห้นะคะก็ถูกเรียกตามภาพปฏิมากรรมนูนสูงที่เสาสองต้นของสะพานซึ่งสะพานแห่งนี้สินค้าก่อสร้างไปทั้งสิ้นห้าหมืนเจ็ดพันห้าสิบสามบาทกับอีกยี่สิบเก้าสตางค์นะคะ สะพานมหาไทยอุทิศมีความพิเศษกว่าสะพานอื่นๆตรงที่ว่าโครงสร้างเดิมของสะพานมีความสมบูรณ์0 0อเปอร์เซขณะที่ปฏติมากรรมแล้วก็ลายปูนปั้นประดับสะพานหลงเหลือมาถึงปัจจุบันแค่ 95% ซค่ะมีการศึกษาแล้วก็วิจัยแล้วก็เก็บข้อมูลครั้งใหญ่ในปีพุทธศักราช2557ซึ่งครบ100ปีของสะพานนี้โดยคณะจิตกรรมปติมากรรมแล้วก็ภาพพิมพ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรโดย ได้เก็บข้อมูลรูปถ่ายปฏิมากรรมแล้วก็โครงสร้างทั้งหมดเป็นฐานข้อมูลค่ะแล้วก็ได้ส่งข้อมูลของงบประมาณไปยังกรมศิลปากรเพื่อให้กรมช่าง10หมู่ได้ทําการบูรณภาพปฏิมากรรมในส่วนที่ชำรุดแล้วก็ส่วนที่โครงสร้างก็ได้มีทีมช่างแล้วก็วิศวกรจากสถาปนิก ของกรมสินเข้ามาดูแลให้ความคงสภาพเดิมมากที่สุดนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยค่ะนั่นก็คือภาพนุนสูงพระศบนิกรที่เสาสองข้างของสะพานยังคงแสดงได้ถึงความอาลัยรักที่มีต่อพระปิยมหาราชได้อย่างมีมนขลังชวนให้หลังน้ำตา เหมือนเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมาค่ะด้วยเหตุนี้นะคะจึงมีผู้กล่าวกันว่าสะพานมหัสไทยอุทิศเป็นหนึ่งในเพชรน้ำงามของมรดกเมืองที่ยังหลงเหลืออยู่ของกรุงเทพมหานครและสิ่งหนึ่งที่เป็นปริศนาตลอดมาแล้วก็ชวนให้ขบคิดถึงหญิงสาวซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใครมาจากไหนที่ยืนสะกดคนดูให้หลั่งน้าตาได้นับร้อยปีคนนั้นเป็นใครยังไม่มีใครทราบคาตอบจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ